อาจิรังวัตยังกายโยปัทวิงอติเศษสติชุดโดอเปตวิน ญ, ญาโนเมื่อังวากางขรันีบัดนีเจเดเจแดงพระสัทธรรมาเทศนา ที่เป็นโอวาทคำสอนขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อให้สำเร็จประโยชน์เป็นธรรมสาร น, นาไม่มีสงแจบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะเหตุนั้นขอบรรดาท่านผู้ฟังทุกๆ ท, ท่านพึ่งได้ตั้งจิตตั้งใจของตน เพื่อจะสะดับรับฟังซึ่งโอวาทคําสอนของพระพุทธเจ้าจะได้สำเร็จประโยชน์ในขณะที่ฟังเทศด้วยและจะได้สำเร็จประโยชน์ในการซึ่งต่อจากนั้นไปด้วยการฟังธรรมคาสอนของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้านั้น เป็นความจำเป็นสำหรับเราซึ่งเป็นกุทธบริษัททุกๆ ท, ท่านพราะธรรมะคำส อ, สอนของพระองค์เต็มไปด้วยหลักเหตุผลผู้ที่จะหรอพึตปฏิบัติจะเป็นทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตาม ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องที่แนวทางให้ทั้งสองทางผู้ที่จะดำเนินในทางโลกก็ยอมเป็นความจำเป็นสำหรับผู้บาิธีหรือความฉลาดที่จะนำไปปฏิบัติในจิตการนั้นๆให้ถูกต้องแด้ราบรื่นแก่ตนเองผู้ที่จะปฏิบัต ในทางด้านธรรมะก็จะเป็นความสะดวกไม่ผิดพลาดเพราะสิ่งใดถ้าปราศจากการสดับรับฟังให้เข้าอกเข้าใจและรู้วิธีการไว้ก่อนแล้วไปทำโดยไม่ได้ศึกษาไม่ว่าทางโลกและทางธรรมยอมอาสามารถที่จะทำให้ผิดพลาดหรือแม้ได้ผลก็ไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นบนรรดากิจการงานทั้งปวงต้องอาศัยการสำเนกศึกษามาเรียบร้อยการศึกษาจริงเป็นของจำเป็นหรือเป็นเข็มคิดอันหนึ่งที่จะชี้แนวทางในการดำเนินของเราไม่ว่ากิจการงานใดๆทั้งนั้น ถ้าปราปจากการศึกษาเพื่อความเข้าอกเข้าใจแล้วการงานที่ตนจะพึงกระทำนั้นๆนย่อมไม่สมบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าจึงจงสนพรภัยหรืออื่นปรากฏว่าไดต้ตามพระบรารมีมา เป็นเวลานานเพื่อจะอบรมแนะนำบรรณาพุทธบริษัททั้งหลายให้รู้จักหนทางที่ดีที่ชั่วแล้วจะได้ลำเนินตนของตนให้ถูกทางนั้นๆแม้พระองค์เองที่ปรากฏว่าสยมผูกรู้เองเห็นเองก็ตาม เราจะเข้าใจว่าพระพธธุทธเจ้าไม่ได้ทรงศึกษามาจากใครนั้นโดยถ่ายเดียวก็เป็นการผิดเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะการศึกษาสำเนียบหรือการสนใจในหลักเหตุผลนั้นเป็นการศึกษาอยู่ในตัวแล้วองสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านสเสด็จทรงขนวด บวดเป็นคนขอทานในกสัพสนาบำเพ็ญความภาคความเพียรเจริญภาวนาสละพระพิฐิมานะจากความเป็นกษัตย์ทำพระองค์เจ้าให้เป็นคนขอทานเจริญเมตตาภาวนาอยู่ในป่าในเขาซึ่งใครๆก็จำไม่ได้ว่านี่คือใครเราเห็นเป็นสมณะ ยงศิษะล้นล้นเท่านั้นที่พระองค์เจ้าได้อยู่พระองค์เดียวเช่นนั้นคล้ายกันกับว่าไม่ได้สำเนียกศึกษาจากไกลแต่แท้ที่จริงครูสอนของพระองค์เจ้านั้นมีอยู่รอบด้านทั่วทั่วไปทั้งกลางวันกลางคืนพระองค์เจ้าเห็นใบไม้ร่วงล่นลงมาจากต้นก็พิจารณาว่า ใบไม้นี้เมื่อปีออกมาที่แรกก็เป็นใบอ่อนแล้วก็ปรากฏเป็นใบแก่แล้วก็ลดล่วงตกลงมาชีวิตสังขารของเราก็เช่นเดียวกันกับใบไม้สิ่งต่างๆซึ่งนอกไปจากนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับใบไม้ที่ลดล่วงตกลงมาจากผัวของเขาพระองค์เจ้าก็พิจารณา เทียบเหตุผลข้างนอกข้างในให้รู้ชัดตามเรื่องความเป็นจริงเพราะสภาพภายนอกกับสภาพสภาพภายในมีลักษณะเช่นเดียวกันคือมีความตั้งขึ้นมีความแปรไปในทัามกลางมีความแตกดับในที่สุดเมื่อพิจารณาถึงพระองค์เจ้าเองก็มีลักษณะเช่นนั้นมีเรียกว่าพระองค์เจ้าทรงสลับ ธรรมเทศนาซึ่งเป็นหลักธรรมชาติอยู่ในป่าพระองค์เดียว ก, ก่อนที่พระองค์เจ้าจะเสด็จออกทรงพรนวดข้อปรากฏว่าได้รับการศึกษาในหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันในคืนวันที่พระองค์เจ้าจะทรงพรนวดเสด็จออกบวชข้อปรากฏว่าได้เห็นบรรดาบริษัทบริวารซึ่งอยู่ในหอปราสาท ของพระองค์เจ้าคล้ายกันกับว่าคนตายและเป็นป่าช้าผีดิบไปเสียทั้งหมดแม้พระองค์เจ้าเองก็ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นอีกเหมือนกันจึงเป็นเหตุให้มีความรุ่มร้อนในประไทยเราจะหาที่ไหนเป็นที่พึ่งแม้บริษัทบริวานรนึรห อ, อประสาทราชมนลเทียนที่เราอาศัยอยู่ ตั้งแต่วันเราเกิดมาจกนกระทั่งถึงวันนี้แต่ก่อนก็ปรากฏว่าเป็นความร่มเย็ยนเป็นที่รื่นเริงบันเทิงในใจมาในวันนี้มองดูไปข้างไหนก็ปรากฏเป็นเช่นเดียวกันกับฝ่าช้าติดิบตไปเสียทั้งทิศแม้หอประสาทาที่เราอยู่นับบัดนี้ก็ไม่ทราบว่าจะลมจมหรือทลายลงเมื่อไรที่จะ น, น, นานย้อนเข้าไปถึง พระองค์เจ้าอีกสภาพคือสังขารร่างกายของเราที่ประชุมขึ้นมาจากดินน้ำลมไปกลายเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมานี้ก็จะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันกับสภาวะทั้งหลายซึ่งมองเห็นอยู่ณบัดนี้จ่งทั้งหลายที่จะเป็นไปได้ความเจี่ยงแค้ถาวรปรากฏว่าไม่มีในที่ในหนซึ่งพระองค์เจ้าจะ ได้เข้าพึ่งทิ้งอิง อ, อาศัยให้เป็นความร่วมเ ย, ย็นกระถทยก็อมองเห็นอยู่แต่ทางเดียวที่คือการเสด็จออกตรงผนวดเพื่อด้หาที่มีเวกสงัดประกอบความภาความเพียรพิจารณาถึงเรื่องต้นเหตุคือป่าชาทีดผีดิบที่พระองค์เจ้าได้ทรงปรากฏในคืนวันนั้นให้ชัดแจ้งชัดเจนแก่แจ้งลงไป ที่พระองค์เจ้ากับบรรดาบริษัทบริวารทั้งหลายเหล่านั้นได้เสมอกันไปหมดในเรื่องความเกิดเขากับเรามีลักษณะอันเดียวกันความแก่เขากับเราก็มีลักษณะอันเดียวกันความทุกข์ความลําบากในสังคนรากายเขากับเราก็เช่นเดียวกันพิจารณาออกไปนอกพระราชวัง จนกทั่งทั่วทั้งดินแดนในไตโรโลกภพนี้มีสภาพเส้นเดียวกันกับเราไม่มีเกาะไม่มีดอนใดๆที่จะเป็นเกาะเป็นดอนเพื่อความร่วมยินเพื่อความแน่หนามั่นคงเพื่อความไว้วางใจมีแต่จะเป็นไปเพื่อความแตกความสลายเส้นเดียวกันกันกบเรานี้ทั้งนั้นพระองค์ก็มองเห็นอยู่ทางเดียวคือทางตรงพรนวล จะได้ทิ่นี้คือจะนาถึงเรื่องความเกิดจเจ็เจ็บตายให้ชัดเจนในพระทัยของพระองค์เจ้าจนถึงกับพระองค์เจ้าได้เสด็จออกไปเสียจริงๆนี่ก็แสดงว่าพระองค์เจ้าได้ทรงศึกษาในหลักธรรมชาติซึ่งเป็นของมีอยู่โดยทั่วปัปให้เกิดผลเกิดประโยชน์ให้พระองค์เจ้าได้เกิดความสืดสังเกตในความเกิดจเจ็เจ็บตายซึ่งเป็นของมีอยู่เตเต็มทั่วทั้งโลกทั้งสงสารไม่ว่าเขาไม่ว่าเรา ไม่ว่าคนหรือสัตว์ชั้นไหนนเมื่อตั้งรูปสั้งกายขึ้นมาแล้วความแปลสภาพจะต้องเป็นเงาตามตัวไปตามๆกันอย่างนี้นี่เป็นความศึกษาที่พระองค์เจ้าได้ทรงค้นพบในเบื้องต้นมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องเทียบเคียงในคนอื่นตัดอื่นกับพระองค์เจ้าว่ามีลักษณะเป็นแบบพิมพ์อันเดียวกันคืออ น, นิจจังคำแปลสภาพ มีเต็มตัวเช่นเดียวกันความทุกข์ความท ร, รมานในโลกนี้ไม่ใช่โลกที่เป็นสุขรุ่นร้วนโลกที่เป็นอยู่ด้วยความหมุนตัวเป็นเกลียวใครจะอยู่เฉยๆไม่ได้เมื่อมีสภาพร่างกายขึ้นมาแล้วแสดงว่าสภาพนี้จะต้องเป็นสภาพที่ให้ก่อกงังวลไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้รับได้นอนก็ไม่ได้ ไม่ได้รับทานก็ไม่ได้ไม่ได้เดิน Recently, smile, calendar, in in future, เห er, ินไปมาเปลี่ยนอิยาบทก็ไม่ได้เราอยู่กับโลกไม่ได้คือเมื่อไม่ทาไม่ได้จึงเรียกว่าโลกนี้คือโลกไม่ได้จะอยู่ให้อยู่สบายมันอยู่ไม่ได้นั่งให้สบายก็ไม่ได้นอนให้สบายก็ไม่ได้จะไม่ต้องอยู่ต้องกินต้องหลับต้องนอนทาตามสะดวกกายสบายใจมันไม่ได้ โลกอันนี้กลายเป็นโลกไม่ได้เสียทั้งนั้นในพระไทัยของพระองค์เจ้าโลกไหนจะเป็นโลกได้เล่าพระองค์เจ้าจึงได้สืบสวนที่นิจพิจารณาทวนหาเหตุผลก็มีตั้งตั้งแต่ว่าโลกุตตรธรรมคือทรรมที่บุคคลกระพืิแล้วให้เป็นผู้ที่ก้าวไปพ้นไปเสียจากโลกไม่ได้นี้ให้ถึงซึ่งโลกได้ลูกถึงโลกแน่นอน คือหมายคำ ว, ว่าโรกุตตะธรรมเป็นธรรมที่สูงสุดที่สุดแล้วก็โปร่ง ท, ท่าไยเสด็จออกเวลากลางคืนทั้งข้งที่พระองค์เจ้าก็ทราบอยู่แล้วว่าพระองค์เจ้าเป็นกษัต ร, ริย์และมีบริษัทบริวารทั่วทั้งแผ่นดินที่อยู่ในแว่นกล้นและในร่มพระบา ร, รมีของพระองค์แต่ก็สเสด็จออกไปพระองค์เดียวมีนายช น, นะ ตามเสด็จเพื่อจะนำมากัรสะกับกลับคืนเท่านั้นก็ไล้เสด็จออกไปทรงพิจารณาในต้นเหตุที่พระองค์เจ้าได้ทรงปรากฏในคืนวันนั้นจนเห็นแจมแจ้งชัดเจนขึ้นยนหัวข้อใจความที่พระองค์เจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นเวลาหกปีถ้าพูดตามภาษาของเราเรียกว่าเกือบเป็นเกือบตาย เพราะกษัตริย์สเสด็จออกบวชความที่ว่าเป็นกษัตริย์อะไรก็เป็นกษัตริย์ทางนั้นเครื่องทรงทุกๆุกชิ้นเป็นของกษัตริย์อาหารการบริโภคเป็นเครื่องกษัตริย์ที่อยู่ที่อาศัยปัจจัทยทุกๆอย่างเป็นของกษัตริย์ทางนั้นเมื่อได้สเสด็จออกทรงพนวดบวชเป็นคนขอทานแล้วความเป็นกษัตริย์ก็หายสมูรปั ยังเหลือแต่ความเป็นคนอาาานาถาหรือคนขอทานไม่มีคุณค่าราคาแม้แต่น้อยในพระองค์เจ้าและทรงพยายามสละทิฐิมาณะจากความเป็นพษัตริย์ของพระองค์เจ้าให้หมดโดยสิ้นเชิงยังเหลือตั้งแต่คนขอทานเท่านั้นซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกับคนขอทานทั่วธรรมดาทั่วไปซึ่งเราเห็นอยู่ด้วยตาของเราและก็ทรงพินิพิจารณาถึงหลักความเกิดแก่เจ็บตาย อันเป็นโลกไม่แล้วโลกคนอยู่ไม่ได้เรียกว่าโลกหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาตื่นของเก่าตื่นของใหม่เข้าใจว่าเป็นของใหม่อยู่เรื่อยๆ อ, อย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าโลกวัตตจักรเมื่อพระพุทธเจ้าได้คุณิเตจนาถึงโลกนี้ให้ชัดเจนแล้วในพระไตรของพระองค์ก็เต็มไปได้วยโลกอันนี้เหมือนกัน คือในเจตสิกกรรมก็แสดงความแปรปรวนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปดีไปชั่วไปอดีตอนาคตปรุงกลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้ให้เห็นชัดท่านเรียกว่าปัจจัยาการหรือปฏิจจสมุปบาทกำหนดพิจารณาถึงเรื่องความเกิดความดับของสองังขารทั้งของเขาทั้งของเราตลอดทั่วทั้งโลกภาพเห็นสเปนสภาพว่าเป็นไตรลักทั้งนั้น คือในจังทั่วทั้งโลกธาตุนับตั้งแต่ตัวของเราไปทุกขังเป็นความทุกข์เช่นเดียวกันอนัตตาตายแล้วใครจะถือเอาสิ่งใดๆจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าไม่ได้ผลที่สุดแม้แต่ผมเช่นเดียวซึ่งเป็นของเบาที่สุดที่เราไปไหนมาไหนติดตามตัวของเราไปได้แต่เมื่อได้จากโลกนี้ไปแล้วต้องมอบไว้คืนเป็นสมบัติเดิม คือดินน้ำลวมไปตามเดิมสิ่งที่เหลือไปก็คือดวงใจและสิ่งที่แฝงไปกับดวงใจนั้นคืออะไรก็คือความดีและความชั่วซึ่งตนได้สั่งสมเอาไว้ในคราวที่ตนมีชีวิตอยู่ธรรมชาติทั้งสองนี้เป็นเงาตามตัวเมื่อพระองค์เจ้าได้ทีนี้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็ยังย้ำเข้าไปอีกว่า บาปเป็นความชั่วก็เป็นสภาพที่เห็นได้ชัดแต่บุญที่เป็นความดีนี้จะส่งหรือตามเราไปถึงไหนพระองค์เจ้าเขาพิจารณาถึงบุญถึงบาปอีกให้เห็นชัดโดยทางปัจจัยการเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทค้นเข้าไปถึงเรื่องอวิชชาปัจจัยสร้างท่าราจนกระทั่งถึงสมุทโยโหติเป็นลำหนับลำหนับเรื่องความเกิด สร้างกำเนิดมาตั้งแต่อวิชชาต่อติดต่อขแขนงเป็นลำดับลำดับเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นใบเป็นดอกเป็นผลต่อต้นต่อลำไปนจกนกระทั่งถึงสมุทโยโหตินี้ท่านเรียกว่ารากเหง้าของอวิชชาเป็นเครื่องติดต่อขแขนงไปอย่างนี้เมื่อพระองค์เจ้าและทิจนาย้อนกลับไปกลับมาจนเห็นชัดตามเป็นจริงในอวิชชามากเกิดขึ้นจากธรรมชาติคือใจดวงนี้แล้ว จึงในกำหนดที่นิจเจนาถึงเรื่องใจดวงที่เป็นอวิชานั้นด้วยปัญญาด้วยพระปัญญาของพระองค์ในคืนวันเดือนหกเทนปรากฏว่าพระองค์เจ้าได้เห็นแจมแจ้งชัดเจนอวิชาก็าได้แตกกระเด็นไปจากพระทัยของพระองค์เจ้าในคืนวันนั้นจึงปรากฏว่าพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ในเดือนหกเทนนี่เป็นอันว่าพระองค์เจ้าได้คบคิด กินิษพิจารณาถึงปัญหาตั้งแต่คืนวันนั้นจนกระทั่งถึงวันเดือนหกเพนน์นับเป็นเวลาหกปีปัญหาทั้งหมดในเรื่องเกิดแกเจ็บตายในเรื่องความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งจิตใจและธาตุขันทั้งหลายได้จบสิ้นลงในวันนั้นและได้ทราบชัดว่าพุทธโธคือความบริสุทธิ์ได้ผุดขึ้นแล้วในพระภัยของพระองค์ เป็นพุโทโธที่พ้นจากกิเลสตัณหาอาสวะเป็นพุโทโธที่บริสุทธิ์เต็มที่เป็นพุโทโธที่หมดควา ม, วามกังวลเรียกว่าผ่านพ้นโลกไม่ได้นี้ไปเสียกลายเป็นโลกที่ให้นามว่าโลกุตระธรรมหมายถึงว่าธรรมที่สูงกว่าแดนแห่งส ม, มุิ คือแดนแห่งเกิดแก่เกิดตายนี้ไปได้เป็นองค์แรกเมื่อพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้ในคืนวันนั้นแล้วจึงได้ทรงมีพระทยัยที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์แต่การตรัสรู้ครั้งแรกของพระองค์เจ้านั้นมีความท้อพระไทยในการที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์เห็นว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงได้รู้ได้เห็นนี้เป็นธรรมที่เหลือวิสัยของมนุษย์ ผู้ที่มีกิเลสอย่างพวกเราทั้งหลายจะสามารถรู้ได้แต่เมื่อในพระองค์เมื่อพระองค์ได้พิจารณาถึงองค์ของพระองค์เจ้าเทียบปันกับบรรดามนุษย์ทั้งหลายแล้วพระองค์ก็เป็นมนุษย์เค่นเดียวกับบรรดามนุษย์ทั่วไปในโลกเหตุใดพระองค์เจ้าจึงรู้ได้เห็นได้ล่ะรู้ได้เพราะเหตุใดเห็นได้เพราะเหตุใดก็จะย้อนเข้าถึงปฏิปทาพ่อดําเนิน เมื่อมีปฏิปท า, าเครื่องดำเนินให้ถูกทางแล้วต้องเป็นเหตุให้ถึงจุดหมายอยู่โดยดีจึงได้มีพระไทยที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์ว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายในเมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนในแนวทางที่ถูกต้องแล้วนั้นจะสามารถรู้ได้เห็นได้เช่นเดียวกันกับเราจึงได้โปร่งพระไทยที่จะแนะนำสัง่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายเป็นลําดับมา จึงปรากฏมากพระองค์เจ้าได้เป็นศาสดาของพระองค์อย่างสมบูรณ์แล้วก็เป็นศาสดาสอนโลกได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้อุตสาห์พยายามมาถึงบําเพ็ญกุศลในสถานที่นี้อันเกี่ยวกับเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีท่านถึงมรณภาพ บรรจุศพของท่านไว้ในโลดและได้มาสนับประฟังพระธรรมเทศนาได้มาโปรงธ ร, ธรรมสังเวทว่าท่านจะคุณกับพระธรรมเจดียกับเรานี้เป็นสภาพภาตุดินน้ำลมไฟอันเดียวกันตามบาลีที่กล่าวขึ้นไว้หน้าเบื้องตน้นนั้นว่าอาจีรังมัตยังกายโยกายนี้เป็นของไม่ตั้งอยู่แนหนาท้าวอเช่นเดียวกับ กันกับของพระคุณท่านปัทวิงอติเจสติอย่างไรก็ตอจะต้องนอนพับในแผ่นดินในเมื่อวิญญาณได้ปราศจากไปแล้วนี่แสดงเป็นเรื่องให้เราทั้งหลายได้ที่นิดพิจารณา ถึงองค์ของท่านที่มรณภาพไปแล้วกับเราที่ยังมีชีวิตอยู่นี้มีความแกตกต่างกันที่ตรงไหนก็ต่างกันตรงที่ผู้มีวิญญาณยังครองอัตภาพนี้อยู่กับท่านผู้ที่มีวิญญาณไปปราบแล้วเขาให้ชื่อว่าคนตายเมื่อวิญญาณได้ปราศจากตัวของเราไปแล้วเราเขาจะเรียกเราว่าอย่างไรอีก ก็ต้องย้ำร้อยกันลงไปเช่นเดียวกับพระคุณท่านที่ปรากฏเป็นตักขีพยานของพวกเราทั้งหลายยุนบัดนี้เพราะฉะนั้นบรรดาเราท่านทั้งหลายที่มานี้จึงมาพวงพระธรรมสังเวชเป็นเหตุที่จะให้ลึกถึงตัวของเราไม่ประมาทนอนใจบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นเครื่องพยุงจูงใจเราให้ไปเกิดในสถานที่ดีแม้เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็าตาม ก็ยังเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาดสามารถด้วยอํานาจวาสนาความรู้วิชาตลอดถึงครัวข้สมบัติถึงการมารีวานจะเป็นมาด้วยอํานาจแห่งความดีของหลักเมื่อตายแล้วหมดการกระทําดีกระทาชั่วยอมสเสวยผลกรรมที่ตนได้ทําไว้แล้วบัดนี้เราทั้งหลาย ท, ทุกท่านยังไม่สายเกินไปเป็นผู้พอเหมาะพอสมเรียกว่ามัชชิ ม, มา ในความเป็นอยู่แห่งชีวิตของเราก็เป็นมัตถิมาความที่เราจะทำคุณงามคำดีก็กำลังพอดีพองามเป็นมัตถิมาสามารถที่จะบำเพ็ญตนของตนให้เป็นไปเพื่อความจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมได้ด้วยการเกิดทําของหลักเมื่อตายแล้วนั่นจึงหมดทิสัยที่จะทำดีต่อไปก็ดี จะทำชั่วต่อไปอีกก็ดีทำไม่ได้นีเราถังละการิงคารังท่านก็เวียบด้วยท่อนไม้ท่อนปืนไม่เป็นประโยชน์อันไดแต่ท่อนไม้ท่อนปืนนั้นเอามาทำเป็นปืนหงส์ต้มก็ยังได้หรือจะมาทำประโยชน์อย่างอื่นก็ยังได้ส่วนเราที่ตายไปแล้วจะทำอย่างนั้นไม่ได้จะทำเป็นปืนเป็นฐานก็ทำไม่ได้ จะทำปลรหนาน้ำปลามันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนั่นเรียกว่าเราเองหมดราคาสําหรับเราจะบําเพ็ญคุณงานความดีต่อไปก็ไม่ได้พระองคเจ้าท่านได้กล่าวไว้ว่านิพพานนางปรามังสุญญ์ยังท่านิพพานนั้นเป็นธรรมที่สูญสิ้นจากทุกจากภัยจากความเสียใจัในไรทั้งหลายทุกทุกทุ ก, ท, กทุกอย่างนิพพานนางปรามังสุขขังในขณะเดียวกัน เมื่อศูนขึ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้ น, น, นยังกลายเป็นธรรมบรมสุขยิ่งกว่าความสุขใดๆในโลกนี้อีกโกนุหาโตจิมานันโดนิ จ, จังปัทลิเตชติเพราะเหตุนั้นบรรดาท่านทั้งหลายจงรีบมาตามเราสถาคตในเดี๋ยวนี้อย่าพากันมีความประมาทนอนใจในชีวิตจิตใจของตนเองซึ่งปราปอยู่กับด้วยลมหายใจเท่านั้น เมื่อลมหายใจดับลงหมดลงไปแล้วจะเป็นคนหนุ่มคนแก่คนขนาดไหนก็ตามเขาเรียกว่าคนตายทางนั้นอย่าได้พากันประมาทนอนใจกับดมเพียงเท่านี้ให้รีบตามเราสถาโคตรไปด้วยข้อปฏิบัติด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาให้มองดูตัวของเราให้ชัดมองดูหนังดูเนื้อดอูตัวของเราให้ชัดหนังภายนอกที่เราไปดูใน โรงหนังโรงดีเจโรงละครเขานั้นเป็นหนังที่จะเพิ่มความทะเยอทะยานความฟุ้งเฟอ้อเหอเหือมเป็นเหตุให้เสียนิสัยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่เสียงเงินเสียทองเพราะสิ่งเหล่านั้นก็มากมายโดยที่ไม่ค่อยจะได้คติในทางที่ดีนอกจากจะเป็นคติในทางที่เิดไปเสียโดยมากาการที่เรามาดูในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกของเราซึ่งเป็นภาพพยนตร์อีอยู่ตัวครับ ตัวของเหล่านี้จะไม่ต้องเสียอัดเสียสตาต่างยิ่งจะได้เกิดธรรมสังเวกเป็นเหตุที่เคยเดินตามหน่อยของพระองค์เจ้าว่าโคนุฮาโตติมานันโดอย่าพากันดื่นเริงบันเทิงจนเกิ น, นไปให้มองดูสุกลกายความแก่ความเท่าความชราความจะแตกความจะทําลายนั้นจะไม่ทําลายที่ไหนนอกจะกระแตกในตัวของเราจะตายในตัวของเรารีบเร่งหาคุณงามความดีเวลานี้ตะวันยังไม่อัดสะดุก คือตัวของเรายัางไม่ตายให้รีบเดินตามพระรถาคตมาเดี๋ยวนี้พวกท่านทั้งหลายจะปลอดภัยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะจะไม่กุ้มลุมเท้าลุนท่านทั้งหลายอีกต่อไปเช่นอย่างนราธรรคตนี้เราธรรคตนี้จะเกิดสุดท้ายในครั้งเดียวเท่านี้จะได้เป็นผู้ที่ตัดขาดาจา ก, จากาามิจฉาทายของความเกิดแก่เจ็บตายความกังวลทั้งหลายอีกต่อไป จะไม่ต้องมาสู่โลกซึ่งเป็นโลกหมุนตัวเป็นเพียวนี่อีกต่อไปนี่เป็นเรื่องที่ท่านประกาศให้บรรดาเราพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบธรรมะคำสั่งสอนที่พระองค์เจ้าทรงกลับไปนั้นเป็นมัชชิมามีความเป็นกลางอยู่เสมอใครทำดีวันใดทำความชอบเมื่อไรให้ทานวันใดเจริญภาวน า, นาวรักษาจิตเมือ่อรด เป็นคุณงามความดีประจำตนอยู่ตลอดเวละให้เดินตามสถาคตเข้าไปอย่างนี้นี่เป็นพระโอวาทขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ท่านแสดงถึงเรื่องธรรมชาติที่ประเสริฐเลิศที่สุดกว่าสิ่งใดๆในโลกคือนิพพานังปรมงณูสูญยังหนึ่งไา้ แ, แก่นิพพานเป็นธรรมชาติที่สูญสิ้นจาก สิ่งกลางบนทั้งหลายชื่อว่ากองทุกข์แม้แม้แต่น้อยจะไม่มีในพระนิพพานนั้นหนึ่งนิพพานังปรมังสุขขังไม่มีความสุขอันใดที่เราทั้งหลายได้ผ่านมาในโลกนี้จะเป็นเหมือนกับความสุขพระนิพพานนั้นหนึ่งโกนุฮาโซจีมานันโดท่านทั้งหลายอย่าเพื่อเพลินลื่นเดินบันเทิงกับท่อนไม้ท่อนฟืนอันมันจะแตกกระดับและลมหายใจปอดๆ อ, อยู่นี้จนเกินไปเลยจงตามมรรคฐาพโคตไปด้วยข้อวัดด้วยข้อปฏิบัติด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนา อย่าเป็นผู้นอนใจประมาทในชีวิตสังขารของตนเขาตายเต็มอยู่ทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นครูสอนเราแล้วทําไมจึงพางการประมาทเล่าน่กแสดงเหมือนกับว่าสอนเราอยู่อย่างนี้ธรรมชาติสังขารร่างกายของเราเขาแสดงการท้าทายเราอยู่เสมอว่าสภาพอันนี้นะ่ะเป็นสภาพที่แบบถ้าพูดธรรมภาาของเราก็เหมือนอย่างว่าแสดงความขัดข้อง เหลือแสดงความเอาเปรียบเอารัดเราตลอดเียล่ะทําไมจึงว่าแสดงความเอาเปรียบเอารัดอ้าถ้าไม่ได้นอนเป็นยังไงหนักอยู่เฉยๆมันอยู่ไม่ได้ต้องพยายามาพนาันเาพันอุปธรรมอุปถากดูแลรักษาเรียบททั้งสี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องทําเพื่อกายของเรานี้ทั้งนั้นนี่โลกอันนี้เป็นอย่างนี้ แต่การแสดงธรรมทั้งหมดนี้แล้วแต่บรรดาท่านผู้ฟังจะนำาพืปฏิบัติให้ได้ผลประโยชน์แก่ตนมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับกำลังสติปัญญาหรือความคิดของตนเองที่จะเป็นไปได้วันนี้ได้แสดงถึงเรื่องอจีรังวัตยังกา ย, ยูไม่ว่ากายของใครๆทั้งนั้นไม่จีรังถาบ่อน เรื่องเกิดเกิดตายตา ย, ตายถึงเราจะว่าเรามีอายุยืนอยู่ตั้งหกสิบเจ็ดสิบปีก็าตามจากนั้นมาถึงวันตายมันก็คล้ายๆกันกับว่าเป็นเพียงช่วงวงเดียวเท่านั้นนี่การลำลีลำไรการซ้ำซากแห่งความเกิดแห่งความทุกข์จึงเป็นของที่นาลำคาสำหรับนักปราดท่านเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนักปราดคือพระพุท ธ, ธเจ้าแม้จะ ไม่สามารถทำได้อย่างพระองค์ก็ตามแต่ก็ควรจะนำแบบของพระองค์ไปพิพจริารณาและอุปสาร์ประพฤติธปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เจ้าแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในอวสานแห่งพระธรรมเทเจนานีขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งเพื่อทมและประสงค์จงมาโปกดการรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ให้ได้อุตสาหมาด้วยความเต็มอกเต็มใจให้มีความสุกาสบายใจทุกทิวาราตรีการดังนี้รับประทานวิสัชชนามาในธรรมะคำตังสอนขององค์สมเด็จภูมิพระภาคเจ้าก็เห็นมาสมควรจีเวลาขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี